นึกพุโทโธในใจจะไม่จิตเสื่อมหลังจากที่ท่านอาจารย์มั่นเมตตารับไว้เมื่อมีโอกาสอันควรมาถึงท่านก็กราบเรียนปรึกษาถึงภาวะจิตเสื่อมว่าควรแก้ไขอย่างไรและ ด้วยคุศโลบายแยบยนต์ของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์มั่นกลับแสดงเป็นเชิงเสียใจไปด้วยพร้อมกับให้กำลังใจสิทธิ์ว่าหน้าเสียดายมันเสื่อมไปที่ไหนกันนาเอาเถอะท่านอย่าเสียใจ จงพยายามทำความเพียรมากๆเข้าเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่ๆมันไปเที่ยวเฉยๆพอเราเร่งความเพียรมันก็กลับมาเองหนีจากเราไปไม่พ้นเพราะจิตเป็นเหมือนสุนัขนั่นแลเจ้าของไปไหนมันต้องติดตามเจ้าของไปจนได้นี่ถ้าเราเร่งความเพียรเข้าให้มาก จิตก็ต้องกลับมาเองไม่ต้องติดตามมันให้เสียเวลามันหนีไปไหนไม่พ้นเราแน่ๆจงปล่อยความคิดถึงมันเสียแล้วให้คิดถึงพุโทโธติดติดกันอย่าลดละพอบริกรรมพุโทโธทียิบติดๆกันเข้ามันวิ่งกลับมาเองคราวนี้แม้มันกลับมาก็อย่าปล่อยพุโทโธ มันไม่มีอาหารกินเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาหาเราจงนึกพุโทโธเพื่อเป็นอาหารของมันไว้มากๆเมื่อมันกินอิ่มแล้วต้องพักผ่อนเราสบายขณะที่มันพักสงบตัวไม่วิ่งวุ่นคุนเคืองเที่ยวหาไฟมาเผาเรา ทำจนไล่มันไม่ยอมหนีไปจากเรานั่นแหลพอดีกับใจตัวหิวโหวยอาหารไม่มีวันอิ่มพอถ้าอาหารพอกับมันแล้วแม้ไล่หนีไปไหนมันก็ไม่ยอมไปทาอย่างนั้นแหลจิตเราจะไม่ยอมเสื่อมต่อไป ภาษาที่เก้านี้เป็นภรษาแรกที่ท่านได้จำภรษาด้วยกันกับท่านอาจารย์มั่นณบ้านโคกจังหวัดสกลนครคำสอนดังกล่าวของท่านอาจารย์มั่นทำให้ท่านตั้งคำมั่นสัญญาขึ้นว่าอย่างไรจะต้องนำคำบริกรรมพุทโธมากํากับจิตทุกเวลา ไม่ว่าเข้าสมาธิออกสมาธิไม่ว่าจะที่ไหนอยู่ที่ใดแม้ที่สุดปัดกวาดลานวัดหรือทากิจวัตรต่างๆจะไม่ยอมให้สติพลังเผลอจากคำบริกรรมนั้นเลยจากนั้นท่านก็มันทําจนกระทั่งตั้งหลักลงได้จิตเป็นสมาธิ ไม่เสื่อมอีกต่อไป